ขอความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายซสีงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอสุภสูตรในอีกนิกายศีลขันธวัชวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่พระนุษย์ได้ลำดับความศีลขันธนั้นประเสริฐก็โดยแบ่งเป็น กั้นตอนใหญ่ก็คือจุลศีลมัชฌิมศีลและก็มหาศีลตามโครงสร้างเต็มที่ในปรมชาลสูตรแต่ว่าตามปกติแล้วในหลักของพระไตรปิฎกคือถ้าหากข้อความมันซ้ำกับพระสูตรที่ว่ามาแล้วท่านก็จะเปย์ยานไว้ หมายความว่าข้อความเต็มนั้นก็ให้ดูในสูตรกฎก่อนในที่นี้พระเทร่าก็ยกมาโดยละเอียดแต่ว่าเน้นเป็นจุดๆคือไม่ใช่โดยละเอียดแบบพรมญชาะสูตรหรือสามัญญผลสูตรพราทถ้าเราต้องการจะทราบพิสดารก็ต้องไปดูในสองสามพระสูตรที่กล่าวไว้ในตอนนานมาแล้ว ก็แม yeah. ้เ <tampoco> พียงศีลระดับนี้ก็ทำให้สุภาพมนุษย์ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าจากหลักการปฏิบัติที่ปราณน์แสดงมานั้นมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สำหรับตัวสุภาพมนุษย์เพราะว่าไม่เคยได้เห็นได้ยินหรือว่าปรากฏในสมณพราหมณ์ในลัทธิอื่น สมัยนั้นเขาเรียกว่ากลุ่มคณาจารย์เจ้ารัชิศก็มีที่ดังๆอยู่ก็หกท่านด้วยกันแต่ว่าศีลที่มันประณีตอย่างนี้มันไม่มีในคุณสมบัติในคณาจารย์เจ้ารัทิ่เหล่านั้นพร้อมทางบริวารถ้าจริงเรียนพระอานนว่ากระผมยังไม่เห็นสีลขนันนันประเสริฐที่บริบูรณ์อย่างนี้ในสมณพราหมณ์เหล่าอื่น ภายนอกศาสนานี้เลยและท่านก็กล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นภายนอกศาสนานี้พึงเห็นสีละขันันประเสริฐที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในตนขเข่านั้นจะดีใจมาความว่าสมณพราหมณ์ในศ า, าสนาอื่นต้าก็เห็นตนมีความบริสุทธิ์หมดจด ตามหลักของสีนั้นประเสริฐที่พระนดยกมาแสดงก็คงจะตื่นเต้นดีใจแต่นี้ต้องแต่นี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นความเห็นของสุภาพมานพคือตามปกติแล้วอย่างที่เขาพูดว่าทิฏฐิพระมน า, าเจ้านะครับคือนักบวชเราที่ถือลัทธิาศาสนาอะไรก็ตาม ก็จะเชื่อมั่นในลทัทธิาศาสนาของตนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหนือกว่าดีกว่าประเสริฐกว่าวันใดที่ท่านเห็นว่าในลทัทธิาศาสนาของตนมีความบุร่องลทัทธิาศาสนาอื่นดีกว่าท่านก็ต้องเปลี่ยนเป็นหน้าทือลทัทธิาศาสนาอื่นเพราะว่าการบวชของท่านนั้นมุ่งผลสูงสุดตามความประสงค์ของท่าน อย่างที่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะก็บวชในสำนักสัญชัยปริพาชกแต่ท่านมุ่งความบริสุทธิ์หมดจดจากอสวะกิเลขเครื่องสมองทั้งหลายปรากฏเวลาที่สัญชัยปริพาชกไม่สามารถจะให้คำตอบได้ท่านก็เริ่มสแสวงหาใหม่โดยนัดหมายกันและในสุดก็มาพบ ก, กับพระเสด็จ ประดาชีได้แสดงข้อความย่อๆเพียงสองบรรทัดท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยบริวารสองห้าสิบท่านบริวารของท่านบรรลุมรควนเป็นพระหันไปหมดหลังจากฝั่งเทศแต่พระโมกรลานะรออีกเจ็ดวัน รสายบุตรรออีกสิบห้าวันเกิดการเปลี่ยนแปลงลัทธิต่างๆนแม้แต่พระพุทธเจ้าเราสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เราก็เห็นว่าก็เปลี่ยนหรือปราบใดที่ยังไม่ตอบคำถามได้เนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปหาคำตอบที่อื่นจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง ของพระพุทธเจ้าของเราถ้าจะนับลัทธิต่างๆนี่ก็คงเยอะนะฮะเพราะว่ามาเริ่มที่อล า, าดาวุฒแล้วก็ไปที่อุตการดาวุฒิแล้วก็ไปบำเพ็ญทุกขักิริยาตามโครงสร้างในลัทธิต่างๆมันเยอะมากแล้วก็ไม่ได้คาตอบมิสุดก็ทรงใช้วิธีการคิดคน้นแล้วก็ประยุกต์โดยพรุงเอง จนได้สัสุก็เรียกว่าลองผิดลองถูกกันอยู่นานเพราะในคำพูดของสุภามโนบังก็ส่วนหนึ่งก็ถูกเพราะว่ามีคณาจารย์เจ้าลัทธิเป็นอันมากที่ยอมสละละทิงลัทธิของตัวเองเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาออกบวชบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไป แต่ก็มีเป็นนั้นมากอย่างสัญชัยอย่างเงี้ยสัญชายท่านมองเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นจัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าจริงแต่ว่าการจะให้ถึงท่านยอมไปเป็นลูกศิษย์นี่มันแหม่เสียเฉิมมากมันเหมือนกับจับเจระเข้ไปใส่ตุ่มไว้มันขยับขยื่นไม่ได้ ท่านก็คิดแสวงผลประโยชน์ในปัจจุบันก็ขอให้มีคนกระรบนะับถือก็แล้วกันคนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระพุทธเจ้าคนโง่โง่ก็จะมาหาท่านเพราะฉนั้นท่านก็อยู่แดงเพิ่มควา ม, ค, วามคิดในแนวสองกระแสเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดทุกๆทุกสมัยแล้วก็ในส่วนต่างๆของโลกหมายความว่าถ้ายึดถือเอาแรงๆแล้วก็จะไปยากอย่างพวกยึดถือในแนวของ ภูมิชาทิฏฐิที่เรียกว่านิยตามิชาทิฏฐิเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พูดกันไม่ได้เพราะยังไงท่านไมทมีทางเปลี่ยนแปลงหรอกสุภาพมนุก็คิดถูกแต่ไม่ใช่ถูกทั้งหมดเพราะว่าเราก็ไม่รู้ใจคนได้ทั้งหมดในส่วนหนึ่งก็ถูกในส่วนหนึ่งก็ไม่ถูกก็ว่ากันไปนในรายไป แต่ท่านก็บอกว่าขเขารหลนั้นจะดีใจเพราะเหตุเพียงเท่านั้นด้วยคิดว่าเป็นอันพอแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นอันสมเสร็จแล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้ประโยชนแห่งความสมณะเราได้บรรลุแล้วไม่มีกิจที่ต้องทำอย่างอื่นให้ยิ่งขึ้นไปอีกแต่พระกุณเจ้าอา น, อนุหผู้เจริญยังกล่าวว่า ในทางวินัยนี้ยังมีกิจที่ต้องทำห้ยิ่งขึ้นไปกว่าอีกเพราะว่าประเด็นที่ท่านพูดเนี่ยพูดเฉพาะศีลขันนันประเสริฐไม่ได้พูดถึงสมาธิขันและก็ปัญญาขันสุภาพมนุ ก, าาก็กราบเรียนต่อว่าสมาธิขันนันประเสริฐที่ท่านประโคโดมจัดสรรเสริญและยังชุมชนนายึดมั่นให้ตั้งอยู่ให้ดารงอยู่นั้นเป็นอย่างไร พระนนรก็เริ่มมาจากอินซียสังวรนะฮะคือไม่ได้เริ่มที่ศีลเพราะศีลพูดมาแล้วอินเียสังวรเนี่ยเขามีลักษณะอย่างนี้คือท่านในองค์มรรคจริงๆเนี่ยเขาอยู่ในส่วนจิตสิกขาคือเป็นข้อแรกในสัมมาวายมะแต่ว่าที่พระนรนร์แสดงในตอนต้นเนี่ยเป็นระดับสัมมาวาจาสมากรรมตะกสมาชีวะ พันธกมมาเริ่มที่อินเซียสองวอคือสำรวมระวังอินรีโครงสร้างนั้นเป็นพระพุทธตรามรัตน์นะคือทั้งหมดนี่เป็นการยกพระพุทธธรามรัตน์มาพระนนทานทรงจำไว้เรียกว่าคำต่อคำคือยังนึกว่าพระนนท์ในสุดยอดจริงๆแต่เราเทียบสมัยนี้ก็เหมือนกระเทป หมายความว่าได้ยินมาเท่าไหร่ก็เก็บไว้หมดเท่านั้นนึกดูว่าจําพระไตรปิฎกได้หมดคนสมัยนี้ท่องกันแทบตายก็มีเฉพาะประเทศพมา่าประเทศอื่นก็ไม่มีท่องกันเด็ดขาดอย่างนั้นครับพระนรนในสมัยนั้นมันเป็นการแสดง คือไม่ได้ท่องซ้ำซากไม่ได้จดจารึกเป็นตัวอักษรพระเจ้าทรงแสดงครั้งเดียวท่านก็ซึมซับได้หมดพอแต่เราขาดพระอนุณนี่คงยุคเหมือนกันนะครัประการสืบต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระธรรมทั้งพระสูตรและพระพิธรรมนันคงจะบกพร่องไป เพราะว่ารูปอื่นท่านก็จำนั่นแหละแต่ว่าไม่มีใครจำหมดมีพระนุนที่จำได้ทั้งหมดก็โดยอาสัยพรอนปดประการที่ท่านขอต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรับตำแหน่งเป็นพุทธุ ป, ปถาคั้งที่นานมาแล้วเคยเล่าให้ฟังทีนี้ท่านก็เล่าถึงว่ามาโนภิกษุในธรรมีใ น, นนี้คำว่าภิกษุในธรรมีใ น, นนี้ โดยเนื้อหาสาระแล้วก็หมายถึงศาสนิกชนในพระพุทธศาสนานี้จะเป็นภิกษุภิกษุณีอุปสมบาศิกาสามมเนรสั ม, มเ น, สมมเนรสิขามานานิเหมือนกันคำว่ า, าภิกษุจึงเป็นการใช้แทนเป็นสรพพนามที่ใช้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งหมดในกรณีนี้นะฮะ ภิกษุผู้คุ้มครองทวารในอินทรีทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมีในนี้เห็นรูปเรตตาไม่ถือนิมิตไม่ถืออนุพยัญชนะเธอพยายามปฏิบัติสำรวมจากขุนศีที่เมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตทให้อกุศลแลธรรมะหลามกุกในที่นี้ท่านก็ยกตัวอย่างอภิชากระทบมันนั้น จริงอภิชากระทมนัทมันก็แทนกิเลสได้หมดแล้วนะฮะเพราะว่าอภิชานั้นเป็นอาการของโลภะที่จะโตมนัทเป็นอาการของโทสะแต่การที่เรามีโลภะเรามีโทสะนั้นก็เพราะเรามีโมหะโดยสภาวะธรรมพวกนี้ก็ขึ้นลงด้วยกันหมายความถ้าลดก็ลดไปกันถ้าเพิ่มก็เพิ่มด้วยกัน การสำรวมระวังอินทรีย์สิ่งหมายถึงทั้งตาหูจมูกลิ้นกาใจก็โดยมีข้อแม้ว่าการสัมผัสอารมณ์อะไรก็ตามถ้าหากว่าสัมผัสไปแล้วอากุศลธรรมอันลามกที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็สำรวมระวัง เสวอมาบังด้วยการทำใจไม่ยินดีหรือยินร้ายท่านยินดีก็ไปเพิ่มอวิชชาคือกิเลสสายโลภะสายราคะถ้ายินร้ายก็ไปเพิ่มกิเลสประเภทโทสะสำคัญว่าให้มีปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นก็พัฒนากันไปเรื่อยๆแหละจนถึงจุดหนึ่งมันก็ เห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่ายินได้ทราบก็สักแต่ว่าทราบได้รู้ก็สักแต่ว่ารู้ไม่มีกิเลสเป็นเหตุปรุงคิดคิดปรุงเพื่อให้เกิดกำหนัดขัดเคืองรุ่มโหลงบัวเมาแต่ประการใดทีนี้เมื่อสํารวมแล้วเนี่ยก็บอกว่าภิกษุถึงพร้อมด้วยอินเสียสังวรอันประเสริฐเช่นนี้ย่อมได้เสวยสุขอันไม่ละคนด้วยกิเลส มายความวาสุขที่ไม่เจือด้วยอามิตรคือไม่เจือด้วยเหยื่อไม่ต้องเอารูปเออเสียงเออกลิ่นเออรสรอะไรมาล่อเป็นสุขซึ่งเกิดขึ้นจากเขาเรียกว่านิรามิตสุขคือสุขที่ปราศจากเหยื่อคืออามิตรเป็นเครื่องล่อนี่ก็ชื่อว่าสํบรวรังอินสีจากนั้นก็แสดงไปในแนวสัมปชัญญปะปปะ ตามหลักของมหาสติปัฏฐานหมายความว่ามีสติสมัชัญญะในอิยธบททั้งปวงท่านก็ว่าไว้เยอะนะฮะเช่นเป็นผู้รู้ตัวในการก้าวไปในการถอยในการแลในการเหลียวในการงอในการเหยียดในการส่งสังาติบาทและจีวร ในการฉันในการดื่บในการเคี้ยวในการลิ้มในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการเดินในการยืนในการนั่งในการหลับในการตื่นในการพูดในการนิ่งนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นแนวปฏิบัติกรรมฐานที่เราเรียกว่ารูรูปยืนเดินนั่งนอนเนี่ยหมายความว่ามีสติสัมปชัญญะความเพียร เราเอกรู้ทั่วทานเท่าทันต่อการเคลื่อนไหวเดี๋ยบททั้งหลายเราเรียกว่าฝึกกันมากแหละเพราะตามปกติสติเราจะขาดเสียก่อนตามไม่ค่อยทนันไม่ต้องเอาอะไรลองสังเกตว่าเราภาวนาพุทโธหรือว่าหายใจเข้านำหนึ่งหายใ จ, จออกน้ำหนึ่งเนี่ยเราก็จริงสติมันมักขาด ภาวนาพุโทโธพอถึงจุดหนึ่งก็หายไปเลยก็ต้องต่อสู้กันอย่างนี้แหละพอชักขยเยื่อกันไปอย่างนี้นี่ก็คือหลักของการเจริญสติที่เรียกว่าสัสสสส ม, สมปชัญญะปภะทีนี้ต่อไปก็สันโดษสันโดษนั้นก็คือการ มีปัญญารู้เท่าทันถึงสารัสำะัของการเกี่ยวข้องกับปัจเจ sĩ เก็เราเห็นว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยเป็นวัตถุนิยมแล้วก็เป็นสังคมบริโภคที่เน้นย้ำการตอบสนองทางประสาทสัมผัสเรียกว่ารับใช้ความอยากที่บังเกิดขึ้นเรามีก็จนเหลือเฟือ แต่ว่าก็ไม่มีใครรู้สึกว่ามีแล้วรู้สึกว่ายังขาดแคลนก็ต้องแสวงหากันต่อไปเรื่อยๆผลความสันโดษที่จริงก็เป็นหลักสมาอาชีวะที่สมบูรณ์นั่นเองแต่ก็เป็นธรรมะนะฮะเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นเป็นศีลมันมีเกี่ยวกับปัจจัยสีนี่เรามีการแสวงหาเรามีการได้มาเรามีการิโภคใช้สอย นอกจานั้นก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกับการแสวงหาการได้มาการไปพกใช้สอยเพราะในหลักการแสวงหาก็คือแสวงหาตามกำลังความรู้ความสามารถกามังทรัพย์กามังเงินกามังอะไรก็ตามแหละมันถ้าอยู่ในกรอบของสุจริตก็ถือว่าถูกต้อง เพราะในการคุมกิเลสระดับโลภะจนล้ำเส้นจะล้ำเส้นไปล่วงละเมิดแปรรัตเอาเปรียบไปหลอกลวงบุคคลอื่นเพื่อการตอบสนองความอยากที่บงังเกิดขึ้นภายในใจของตนเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทีนี้พอได้มาแล้วก็ทำใจยินดีตามที่ได้มาเรียกวิธ า, าลาพระสันโดษได้มากก็มีสิทธิที่จะยินดี ตามที่มากได้น้อยก็มีสิทธิ์ที่จะยินดีทำใจให้ยินดีตามที่ได้น้อยเราเห็นว่าถ้าเราปรับใจให้ยินดีอย่างนี้เราจะเห็นไตรลักษณ์นะฮะคือความไม่เที่ยงเนี่ยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งที่เราได้เราสแสวงหาเราคาดหมายจะได้เยอะแหละแต่บางทีมันไม่ได้พอได้เยอะไปมันก็ไม่เที่ยงนะฮะ ไม่เที่ยงในตัวความปรารถนาของเรา เ, เราได้อยากได้เยอะขึ้นไปอีกทีนี้ไอตัวสิ่งที่เราได้มันก็ไม่เที่ยงธรรมะมันจะคลุกคราวผาสมปนเปนกันไปแต่ทั้งหมดก็เป็นธรรมะที่จะช่วยให้เข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ทีนี้ในการมีพวกใช้สอยนี่เขาเรียกวิาาธาสารุปสันโดษก็ยินดีตามเหมาะตามควรที่เรียกว่ามีน้อยจ่ายน้อยค่อยบัรจองจะจ่ายลงให้มากจะยากนานเนี่ยปัญหาสมัยหนึ่งที่รัฐบาลเขามีหลักอยู่ว่าลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้แล้วก็ขยายโอกาส หมายความมาพูดในกรอบในกรอบของศีลคือต้องไม่ผิดศีลด้วยการลดรายจ่ายบางทีเนี่ยรายจ่ายมันตามอยู่แล้วก็ไม่ต้องลดแต่ก็ยังเพิ่มในรายได้ในขณะเดียวกันเมื่อรายได้มันมันมันพอดีอยู่แล้วเราต้องการจะเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติ เกิสะสมไวให้เกิดลูกหลานในอนาคตก็ไม่ว่ากันในระดับสันโดษนี่เขไม่ว่ากันทีนี้สันโดษมันก็จะประหนี่ขึ้นไปเรื่อยๆพอถึงเป็นพระเนี่ยคําว่ายินดีตามสมควรบางชีนี่มันหรูเกินไปเราเป็นพระเล็กๆไปใช้จีวร อ, อย่างนีไ้ไปใช้ย่ามอย่างนี้ไปใช้เครื่องช้าอย่างนี้มันเกินไป เราก็ไปถวายผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ท่านเจลาลงแล้วจีวรท่านหนามันหนักเรามีจีวรที่บางๆเราก็ไปถวายท่านเถอะพรา ก, กิเลสมันจะลดลงไปเองพอถึงจุดหนึ่งท่านที่รักษาสันโดษไปได้เนี่ย ตอนรับเนี่ยท่านจะรับมากได้ไม่แปลกอะไรเพราะว่ามันได้มาในทางที่สุดจริตแต่ท่านรับด้วยกรุณาต่อผู้ให้และแผ่กรุณาไปถึงบุคคลอื่นยางระโนนหลังจากพระพุทธเจ้าไปนิพพานเนี่ยท่านเคยรับผ้าจากนครไภอโกสัมพีของปุกพระนาง สามาวดีกับบริวานและของพระชจอุเทนก็เรียกว่าเป็นหมื่นมื่นแสนแส น, สนนะตอนที่ถวายประเพลิงพระพุทธศรดระแล้วทาการสังกายนาผ่านไปแล้วหรือยังก็ไม่ทราบเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่สามเดือนตอนนั้นพระนนก็แต่ผ้าเหล่านั้นนะขึ้นเกวียน ไปที่แจกจ่ายแก่พระภิกษุสามเณรก็แจกอยู่นานและก็แจกไปไกลทีเพราะในที่จริงหล่านนมันก็เป็นประโยชน์มันไปกลับไปเพิ่มบุญให้แก่ผู้บริจาคแล้วก็ให้ความสะดวกสบายในปัจจัยสี่แก่คนอื่นออกไปเพราะนั้นทั้งหมดมันเป็นอาการของธรรมะแต่เป็นอาการของเมตตาการุณา ในขณะเดียวกันถ้าเป็นอาการก้อนโลภะก็ได้เก็บได้เก็บได้เก็บได้เก็บเก็บสะสมกันไว้ในที่สุดตัวเองก็ต้องตายตายแล้วก็ทิ้งให้คนอื่นก็นยื้อแย่งกันต่อไปหือจะเก็บต่อไปก็ไม่รู้แหละในสุดสิ่งเหล่านั้นบางทีเนี่ยมันในช่วงขอาการบริพวกใช้สอยเราก็จะหนีที่เหนียวมาก ก็ช่วยเหลือคนอื่นก็ไม่ช่วยกินเองก็ไม่กินผลท้ายเนี่ยตัวเองก็แก่ลงทุกวั น, นแล้วก็ต้องตายจากไปสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของโลกไปทีนี้พอมาถึงพระในทรงอุปมานะฮะทรงอุปมาว่าเป็นผู้สังโดดได้ปัจจัยทั้งสี่เนี่ย จะไปในที่ใดๆก็ถือไปได้เองมันเหมือนกับ น, นกบินไปทางใดๆก็มีแต่ปีกเป็นภาระบินไปได้พิสุก็เหมือนกันเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรเครื่องบริขารโดยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องเธอไปในทางใดๆก็ถือไปได้เองนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษ ในคำพีนี่ท่านเล่าถึงภิกษุสองรูปออกบวชพร้อมกันคนหนึ่งบอชแล้วก็อยู่ในเมืองก็เป็นผู้เรียนรู้แตกฉานเป็นที่รับเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนมากได้ลาภสการเยอะหรูหรามากอยู่เพื่อนอีกรูปหนึ่งก็มาอยู่ในป่าก็มาเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ในเมือง เพื่อนอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่อยู่ในป่าเนี่ยไปเยี่ยมเพื่อนที่อยู่ในเมืองแล้วก็เพื่อนในอยู่ดีเมืองก็เพื่อนที่อยู่ในเมืองไปเยี่ยมที่เพื่อนไปอยู่ในป่าตัวเองว่าเพื่อนอยู่ลําบากมากเดือดร้อนมากเลยก็ชวนไปอยู่ด้วยกัน ก็ในขณะที่เดินกันไปเนี่ยองค์ไปอยู่ในป่าท่านก็พร้อมเดินทางอะ่ะพอบอกก็ไยก็ไปเลยตัวนี่อยู่ในเมืองเห็นว่าพระนี่สันโดษมากไอ้เรื่องมักน้อยไปเลยนะฮะมักน้อยไปเลยก็บอกว่าท่านอยู่ที่นี่ดีแล้วถูกต้องเหมาะสมแล้วเพราะว่าถ้าไปอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะถูกลาบสักการะครอบงำเช่นเดียวกับท่าน เานธันรุ่นั้นจะไปก็ได้ก็มีเท่านั้นแหละก็ห่มเรียบร้อยแล้วสังกติก็พาดบาไว้แล้วก็อยู่ครบนี่ก็แสดงให้เห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะท่านคงรับนะ่ะยินดีตามที่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่รับแล้วก็เพื่อแจกจ่ายสงเคราะห์บำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลแก่บุคคลเหล่าอื่น ตอนลองสังเกตว่าถึงแม้จะข้องใจสงสัยในเรื่องบางเรื่องว่าพระที่เด่ น, ด, น, ด, นดังนีงงง่มันเยอะที่บ้านเราเวันก่อนร้สิก์เข้าไปทางภาคเหนือบอกเล่าว่าเป็นงานวันบันเกิดของครูบาท่านหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่ได้สอบถามรกเขาบอกเหมือนกันแต่ไม่สนใจจำ อายุนี่อ่อนกว่าเข้าปีเนี่ยแต่ว่าคนขึ้นมากเคารพนับถือมากสร้างวัดใหญ่โตใช้เงินไปพันกว่าล้านยังนึกว่าเออแต่ว่าดีตอนกลางคืนเนี่ยตอนกลางคืนฟังรายการของศาสนา ลูกศิษย์ของวัดแห่งหนึ่งเขาบรรยายเรื่องการให้ทานเดี๋ยวฟังไม่นานะ่ะก็อยู่ในช่วงสั้นๆประมาณสัก4ีห้านาทีเขาบอกว่าการทำทานเนี่ยเหมือนกับอะไรล่ะเขาตีแบดมินตันหรืออะไรเนี่ยนะตีกับไปกับมาเนี่ยก็เรียกอะไรอะ่ะก็ มันตีมาก็ตีกลับตีมาก็ตีกลับตีมาก็ตีกลับเขาทำบุญในวัดเดียวนะในวัดเดียวจนถึงขณะที่เขาพูดเนี่ยยี่สิบยี่สิบเอ็ดล้านแล้วเขาเชื่อว่าเรามาเพื่อสร้างบารมีก็ที่จริงก็ไปได้ว่ากันนะฮนะก็ถูกต้องนั่นแหละแต่ว่นนึกว่าทำไมมาเล่นหินเล่นหินกันมาก เพราะว่าเรามาสร้างวัตถุนี่ถ้าเราไม่สร้างคนเนี่ยจะต่อไปทำยังไงจริงๆสังคมเราก็มีบทเรียนนะฮะบทเรียนที่ค่อนข้างชัดเนี่ยคือวัดลงปู่แหวนดอยแม่ปังเวรานี้ก็ค่ะว่ามีพระอยู่รูปเดียวมีกุฏิห้าสิบกว่าหลัง เล้วก็วัดทางภาคอีสานเป็นอันมากที่ครูบาอาจารย์ซึ่งดังๆแล้วก็ตกเครื่องบินข่าวนั้นเวลานี้ก็มีพระน้อยทั้งนั้นกุฏิก็เหลือเฟือว่าที่จริงมันควรจะเดินไปอีกขั้นหนึ่งนะคือหมายความว่าเป็นหลักให้แก่หมู่คณะเข้ามาก็ถ่ายออกไปเป็นสมเคราะห์อนุเคราะห์ เพื่อสัพพมาจารีทั้งหลายแบบที่พระนนลทําเป็นตัวอย่างคื อ, อยังนึกว่ามันน่าจะเดินไปอีกขั้นหนึ่งทําไมมาปนปรือตัวเองมาเล่นหินเล่นหินเพื่อตัวเองสร้างเจดีย์ก็ใช้ชื่อตัวเองอันนี้ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าเสียดายแล้วค่อนข้างแปลกว่าจิตมันควรจะก้าวไปอีกนะมันควรจะก้าวอีกขั้นหนึ่ง เพราะหลักการที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยว่าทําประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นอัตถะประโยชน์ประรัฐะประโยชน์แล้วก็ทําทั้งสองอย่างทําประโยชน์แก่ตนเองทําประโยชน์แก่บุคคลอื่นและทําประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายแต่เราก็เดินไปได้แค่อยู่ในวงมันแคบเกินไป พอจิตมันจะเดินไปจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มีตัวตนนะฮะคือจุดสูงสุดในตะพุสะนามันไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีตัวตนไันก็ไม่มีอะไรเป็นของเราจริงเราไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างที่เราเข้าใจจริงๆแต่การที่เดินไปยังไม่ถึงก็เป็นเรื่องตกพยาบาต่อไป พันแนวสันโดษ พ, พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจิตมันจะประนีขึ้นประนีขึ้นประนีขึ้นไอความเหมาะความควรในการวริโภคปัจจัยสี่ท่นเรียกว่ายางอัตภาพไปเป็นไปเหมือนน้ามันหยอดเครื่องในรถเดินได้ก็แล้วกันสมบูรณ์ประโยชน์แล้วน้ำมันจะมากหรือน้อยดีหรือไม่ดีแต่มันรถเดินได้ก็แล้วกัน จะสมเอตประโยชน์ทีนี้ข้อต่อไปท่านบอกว่าไิสู่ถึงพร้อมด้วยศีลขันนันประเสริฐด้วยอินทรีย์สังวรอันประเสริฐด้วยสติสมัมปชัญญะอันประเสริฐด้วยสันโดษอันประเสริฐเช่นนี้ก็หมายความว่าเอาศีลเอาอินทรีย์สังวรเอาสติสัมปชัญญะเอาสัสนสดสโดษสี่ข้อมาเป็นหลักท่โลลบก็หลงไปได้เยอะแล้วนะ จากนั้นท่านก็จะเสพเสนาสนะอันสังกัดก็หลีกเร้นแล้วหาความสงบเพืแก่จิตใจตัวเองก็ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆกลับจากบินทาบาทหลังอาหารแล้วนั่งขัดสมาธิตั้งกายทรงระรงสติไว้เฉพาะหน้านี่ก็คือเจริญกรรมฐาน คือพระในสมัยก่อนหรือว่าพระสํานักกรรมฐานก็เหมือนกันคือการทําวัดสวดมนตเนี่ยมันแสดงว่ามาไม่เกินสองร้อยปีท่านก็สวดมนต์ของท่านนะสวดมนต์ในที่เจริญกรรมฐานของท่าน น, ะนานๆจึงมีการประชุมสวดสาธยายกันอีกทีหนึง่งแนวการทําวัดสวดมนตเป็นแนวที่เกิดทีหลัง ตรวจมนต์นั่นแนวอยู่ก่อนนะฮะสวดมดนต์ในแนวอยู่ก่อนแต่ต่างคนต่างสูตรต่างคนต่างสาธยายต่างคนก็บำเพ็ญไปนานก็มาสวดพร้อมกันเพื่อรักษาความถูกต้องในเรื่องเหล่านั้นเอาไว้แต่การทำวัดสวดมนต์เป็นการดีนะฮะคือทําให้ใจเราสงบอย่างน้อยในขณะนั้นกายเราก็สุจริตวาจาเราก็สุจริต ใจเราก็สุดจิตแต่ตั้งกิตให้มัน่นมันก็ได้ความสงบเยอะสาธยายประสูตรนันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าสาธยายมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละจากนั้นก็เจริญกรรมฐ า, านเจริญกรรมฐ า, านนั้นจะเป็นรูปแบบที่ทรงแสดงไว้เหมือนกันนั่งคูบันหลังตั้งกายทรงํรำรงสติไว้เฉพาะหน้า แล้วก็พยายามละความโลภมีจิตปราศจากการเพ่งเล็งโลภอยากได้ทำระจิตใจบริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งโลภอยากได้ละความประทุส้ายคือพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทมีความมนุเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทำร้าจิตให้บริสุทธิ์จากความคิดประทุสลายก็คือคิดพยาบาท คือปยาบาดได้ล า, าถีนมิธะคือความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึมห่งงอยเหงาหัวถูต่างต่างประจากอาการลาฏี น, นมิธะมีความกําหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างแล้วก็มีสติสัมปชัญญะหมายความบางทีกลางคืนแต่แต่เราก็คิดว่ามันเป็นกลางวันก็อยู่ในที่สว่างอย่างที่พุะอาจารยทรงสอน พระโมคคัลลานะตอนที่ไปนั่งสปปงกอยู่ที่หมู่บ้านกะลาวามุตรคามก็ทรงสอนอย่างนี้แล้วก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากทีนามิทะละอุทจักกุจจะคือความพุ้งสั้นซัดสายของจิตจนถึงกระหุดหงิดจำคาญตัวเองแล้วก็ละวิจิกิจฉาจนถึงข้ามพ้นความเคลือบแคลงสงสัย ในพระรัตนตรัยเป็นต้นในที่นี้ก็พูดง่ายๆว่าไม่สงสัยในกุศลธรรมก็ีธทราราจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิิชาได้จากนั้นก็ได้แสดงอุปมาเทียบเคียงอุปมาเทียบเคียงเรื่องนิวร์เนี่ยก็ บางทีเป็นอุปมาโดยสภาวะของนิวรณ์ที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตบางทีก็แสดงถึงอาการที่จิตปลอดนิวรณ์คือปราท จ, รจากนิวรณ์ยาแนวที่มันมันทำปฏิกิริยาต่อจิตการมาฉันทา น, นิวร์เนี่ยอุปมามันก็สีหลากหลาย ที่มนปนกันอยู่เนี่ยปนปนกันอยู่มันก็ดแล้วก็วิจิตพิสดารคล้ายๆกับจิตกรรมต่างๆภาพวาดต่างๆนี่ก็วิจิตพิสดารก็สีสันก็เยอะแต่ความพย า, ายามเหมือนกับน้ำที่เดือดกิเลสประเภทโสะเนี่เหมือนกับน้ำที่เดือดประเภทที่เรียกว่า เพื่อลองสังเกตว่าคนเราพอโทสะมันเข้ามาเนี่ยมันปัญญามันมันออกไปคือจะไม่มีเหตุผลเลยเวลาพูดแสดงอะไรออกไปอะไรเนี่ยเราจะขาดเหตุผลบางครั้งบางคราวเสียเรื่องไปเลยพูดมากเกินไป โบราณว่าเปล่าหมอตายเพราะปากคนพูดมากก็จะตายคล้ายเปล่าหมอเพราะพูดโดยโทสะพอโทสะนี่มันพูดมันยิ่งขึ้นมาเราขาดสติเราขาดสัมมัชญ์ะเราขาดความพยายามขาดขันติขาดอะไรต่ออะไรมากมายไกลกองบางที่น้ำมิทานนี่ท่านอุปมาเหมือนกับจิตที่มันเหมือนกระแสน้ํา สระน้ําที่มีจอกแหนอยู่มากๆเราเห็นภาพนะตรงนี้ภาพมันชัดอสระน้ําที่มีจอกแหนเนี่ยสมัยเด็กๆนี่เคยเห็นเยอะคือบางทีน้ํามันสะอาดอะสะอาดแล้วก็ดื่มได้แต่ก่อนนี่น้ําแถวนี้มันก็ดื่มได้ทั้งนั้นตะวันมันดื่มไม่ได้หมดแล้วเมื่อคนต้องการดื่มเดินทาง ไปกลางทุ่งไปกลางอะไรเนี่ยก็ยเจอหนองน้ําก็ไปแหวกมือเอามือนี่แหวกให้จอกแหนมันออกไปปัดปัดปัดปัดปั ด, ปดออกไปพอน้ําได้ที่พอได้ที่แล้วก็ดื่มแต่ดื่มบางทีไม่ทันเสร็จหรอกจอกแหนมันจะย้อนกลับขึ้นมาวันทีนั้นมิถะเอาอาการอย่างเดียวว่านั่งสัประงกนี่ยุ่งตายเลยเอาไม่อยู่เลยนะฮะกรรมฐานอะไรแต่ไรก็เอาไม่อยู่เลย ต้องเปลี่ยนนิยาบทแล้วเพราะความง่วงมันมันเกิดมันตั้งอยู่แล้วมันกระลับร ล, ลับตื่นๆืเรียกเราห ล, หลับตื่นๆนี่ยเอาไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเอาภาวนาพุโทโธก็ไปไม่รอดแล้วอุทตจกักจกุกุจจะนั่นเมื่อกน้ำที่ขุนคือเราเวลาคิดฟุ้งซ่านเนี่ยอะไรมันไม่ประจกักษ์ สิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยไม่โดดเด่นมันเหมือนกับเรามองเงาหน้าของเราในน้ำที่ขุนเนี่ยมันมองไม่ชัดปัจจใจที่ถูกครอบงาด้วยทีน้ำมิถะมันจะมีลักษณะอย่างนั้นคือเหมือนกับน้ำที่ขุนทีนี้พอวิจิกิจฉาคือความเคลือบแครงสงสัยไม่แน่ใจ ตัดสินใจลงไปไม่ได้เนี่ยเอาอย่างเดียวก็ย่ำแย่แล้วเอาขนาดว่าเราสงสัยว่าทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยจริงหรือเนี่ยยังมีคำถามว่าจริงหรืออยู่เราไปไม่รอดหรอก็ขึ้นขึ้นลงลงความคิดกิ จ, จกรรมการพูดการทำ มันก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามกระแสะอารมณ์เป็นลีลาอารมณ์แต่ถ้าเราเชื่อว่าทำดีได้ดีจริงทำชั่วได้ชั่วจริงใครทำชั่วก็ทำไปใครด่าก็ด่าไปก็ไม่ว่าอะไรถ้าลองสังเกตว่าถ้าเราทำใจว่าเราไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอย่างนึกถึงบรรยากาศอย่างนีง้ นานมาแล้วหลายปีอยู่เนี่ยีท่านผู้หนึ่งคุยให้ฟังว่าครอบครัวเนี่ยถ้าไม่ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เด็กวิ่งเล่นกันแล้วก็ไม่ได้เรียนได้ยินเสียงคนแก่อายเนี่ยมันขาดบรรยากาศข อ, ของความเป็นครอบครัวแต่ว่าต้องได้ยินเสียงเด็ก แล้วก็ยินเสียงคนแก่ไอก็ทำให้มีบรรยากาศของครอบครัวทีนี้ถ้าคนปรับใจอย่างนั้นเนี่ยปรับใจได้อย่างนั้นไม่มีเสียงโหนกหูนะมันมีแต่เสียงแสดงถึงความมีชีวิตชีวาของลูกหลานที่กำลังสนุกสนานรื่นเริงกันก็เห็นคนท่าคนแก่ สุขภาพไปลานามัยของคนทา่าคนแก่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละท่านเองเมื่อก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้เราเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างท่านแต่ว่าต่อไปเราก็จะเป็นอย่างานั้นเออเราก็เหมือนกันเด็กเด็กเด็กเด็กที่เก่งเล่นถนุกสนานั้นแสดงสุขบสุขภาพกายดีสุขภาพจิตเขาดีแวเราตอนเป็นเด็กเราก็เล่นอย่างนั้นะ มันเป็นบรรยากาศที่น่ารักบรรยากาศที่อบูดอย่างที่วัดเนี่ยบางทีเราก็นานๆจะเห็นเด็กเล็กๆแกมาวิ่งบางทีญาติโยมมาเลี้ยงพระเอาลูกหลานมาด้วยวเล่นๆเจีเ้ยวเจ้าน่ารักนะฮะสนุกสนานเราก็มองไปก็ได้แต่ยิ้มเออนี่โลกของเด็ก มันเป็นโรคที่น่ารักเป็นโรคที่ร้ายเดยงสาเป็นโรคที่บันเทิงเริงรมสนุสนานแกขอใเรามาระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะ่ะนี่ก็คือการมองเราเจนว่าทีนี้ถ้ามันเป็นโครอนอยู่นะ้ํามันเป็นโครอนอยู่แล้วก็น้ํามันขุ่นอยู่เนี่ยเราก็มองไม่เห็นแต่ถ้าเราเราเรายอมรับความจริงอย่างเดียว่ะ ทำดีได้ดีทางชั่วได้ชั่วท่านนั้นเองเราจะไม่โต้ตอบด้วยความชั่วกับคนชั่วเพราะว่าเขาชั่วไปแล้วเพราะเขาพูดชั่วทำชั่วแล้วก็คิดชั่วด้วยราะถ้าเราถ้าเราโกรธตามเขาเนี่ยแสดงว่าเราก็คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วด้วยแล้วมันเรื่องอะไรเหอคุณจะตกบ่อแล้วมาเราชวนเราตกบ่อด้วยเนี่ยมันเรื่องอะไร ก็ปล่อยเข้าไปเพราะโดยอันว่าสภาพกิจเหล่านี้ที่มันมีปัญหานี่คือเราไม่มีปัญญาวินิจฉัยลงไปเลยเราไม่ตรงใจเชื่อว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างน้อยก็นืน้อก็เออพระพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเนี่ยเพียงเท่านี้อะไรมันจะดีขึ้นเยอะในบ้านในเมืองเนี่ยเพราะคนจะกลัวความชั่วแล้วก็กระตือรือร้นที่จะกระทาความดี ตอนนี้มันก็สบายไปหลายอย่างแล้วต้องฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี